ปว่ายข้าวด้วยนัดรอบดวงตาด้วยกำลังรวบรวม <c oughs> ปัจจัยร่วมสร้างเจดีย์ดงตาด้วย <c oughs> รวบรวมปัจจัยร่วมสร้างเจดีย์งตาด้วยนี่ได้เก่าพันแล้วเนี่ย เฮ้ยโอเก่าพันนี่ดอกบัวดีโอ้โอ้ดอกบัวโพลหลายดอกเด้นี่อยู่หน้าบัดนนี่ฮะเป็นร้อยดอกนะเฮ้โตหอยใหญ่รบธรรมดาตัวนี้ตโตอตอตอะตตตสามดอคุณนดอกบัว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 ประวัพิธีตอกเข็มเสาเข็มเจดีย์หลวงตาที่บัรตาเน่หนิที่บรรดาเน้เพราะเป็นอมองอื่นเนี่ยที่บัรตาที่วัดหลวงตาเนี่ยวันที่สามสิบมีพิธีเจาะตอกเข็มด้วยเอยตอกเข็มหรือเจาะเข็มนะเรากา็ไม่ได้รู้เจาะเข็มเทเข็มหรือเปล่าก็ไม่รู้ไ ม, รไม่ได้ไม่ได้ไปดู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 ขนเอาเองตามย้งเลยแหละไปสีให้สีให้แล้วมาส่งพร้อมไปสีให้แล้วมาส่งพร้อมสบายและทุกวันนี่ฮะคือสบายสบายเลยฮะ <sk ill> เขาเปลือกเขาเปลือกเขาไม่อยากเปลืองอะไรเขาก็เอาเอาไปเก็บไว้เป็นกระสอบกสอบเลยคนไปนขายก็ยกขึ้นเป็นกระสอบกสอบเนี่ยตำบนประทายข้าวเนี่ย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 เพราะกันขนกล้าไม้ปลูกเต็มไปหมดนะปลูกตั้งแต่ต้นฤดูฝนปีสามปดจนถึงเดือนตุลานะรู้จนถึงเดือนตุลาไถปลูกไถปลูกไถปลูกจนดในี่ไม้ละตัวหมดเท่าเสาก็มีใหญ่เท่ากับเส่นฝ่าสุขลางห้าสิบเซนก็มีอยู่ในครัวไม้สักใหญ่ขณะนี้ก็มีหายไปแล้วก็มีมันตโตโพดมันเลยหายไม้สัก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 เพื่อนห้องเพื่อนห้องอะไรจะปรับใหม่ห้องห้องที่รื้อออกนันก็จะเอาออกแต่ห้องเก่าที่เป็นห้องปูนนะั้นก็จะเอาไว้จะทำให้มันโลง่ลงกว่าเดิมยกขึ้นอีกเม็ดสิบเ็นใช้คาสูงกว่าเดิมเม็ดสิบเซนทำให้โปร่งขึ้นลังคาเป็นสองพักมีช่องระ บ, บายข้างบน ม, ม, มีช่องระ บ, บายข้างบน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 เปนลังคาเดียวกันโอ้อีกสอาเรือเสรียหรือเปล่าก็ไม่รู้งานอยู่สูงมันขึ้นมันทํายากเหมือนอย่างตัวที่เสรียไปเนี่ยเสรียยากมันขึ้นสูงวันหนึ่งขึ้นก็ไดสองสามชิ้นมันอยู่สูงนเพื่อประโยชน์ของาศาสนาเพื่อประโยชน์ของหัวใจ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 รูปธรรมมีนามธรรมแล้วก็มายึดถือกันของมาทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วก็มายึดมาถึงมาเกาะมาสิงมาเกาะสิ่งแล้วนี่แหละอปล่อยไม่ได้ลางไม่ได้ถ้าวางแล้วเอ๊ะวางแล้วจะได้อะไรมาเสพสุขมาเสวยสุขไม่กล้าปล่อยผู้ที่เจ้าทัานเรียนจบในระยะเวลาที่สั้นอาจารย์บอกว่าจบแล้วเรียนจบแล้ว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 หมดระยะหมดการหมดเวลาก็เสือ่อมแต่พระองค์พิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นทุกเห็นโทษเห็นรากเหงา้าต้นตอ น, ตอนลึกเข้าไปอีกจนเห็นเห็นกิริยาการที่น่าเบื่อหน่ายเอ้ต้องการมันเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงต้องการให้มันอยู่เท่าเดิมมันก็ไม่อยู่เท่าเดิมถ้าเราบอกให้มันอยู่เท่าเดิมได้แต่ความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนตมันมีอยู่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 เราเข้าถึงประมังสุ ข, ขังนีง่ไม่มีพบแล้วไม่มีที่เกิดไม่ต้องไปเกิดแต่ว่าผู้รู้นั้น่ะบริสุดเพราะชักล้างหมดจดแ ล, แล้วก็ยืดยาวยืนยาวอยู่อย่างนั้นดำรงตอนอยู่อย่างนั้นตลอดอนานานตกาลนี่พระพุทธเจ้าท่านเอาสิ่งเหล่านี้มาบอกมาสอนพวกเรามาตั้งรกรากเป็นพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา